ฟังธรรมคำพุท ธ, ธะโยธาชีวสูตรอังคุตรนิกายปัญจากานิบาตภิกษุทั้งหลายนักครบอาชีพห้าจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกห้าจำพวกเป็นอย่างไรเล่าคือนักครบอาชีพบางประเภทเพียงแต่เห็นผงคลี ฟุ้งขึ้นในกองทัพของข้าศึกก็ขวัญหนีกรั่นรา่ำวันวาจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามได้นี้เป็นนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกัน ในกรณีนี้ภิกษุเพียงแต่เห็นผงคลีก็ขวัญห น, นีครั่นครม้มวันวาจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบพรหมจรรย์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนสู่เพศต่ำแห่งกระดดข้อที่ว่าผงคลีสำหรับภิกษุนั้น ได้แก่รายเล่าคือในกรณีนี้ภิกษุได้ฟังข่าวว่าสตรีคือนางหรือกุมารีคือนางสาวในหมู่บ้านหรือ น, นิคมโน้นรูปสวยเป็นขวัญตาขวัญใจมีผิวพรรณและสวดทรงงดงามยิ่งนักภิกษุนั้นเพียงได้ยินข่าวหรือเท่านั้นก็ระยอท้อถอย ระทมระทศวันวาจนสกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบปรมจันทร์ต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิกาบอกเลิกสิกาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งกครือัดความที่ได้ยินข่าวหญิงงามนี้ได้ในข้อที่ว่าเห็นผงคลีสำหรับภิกษุนั้นเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้น ที่เพียงแต่เห็นผงคลีฟุ้งขึ้นในกองทัพของข้าศึกก็ขวัญหนีครั่นครามวันวาจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามได้เรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบนักบวชบางคนในกรณีนี้ก็เป็นชนี้เป็นนักบวช ท, ที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทแรก มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุภิกษุต้องหลายนักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงกลี่ได้แต่พอศักว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกแล้วก็กวัญห น, นีครั่นร้ามวันวาจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามนักรบอาชีพประเภทที่สองนี้ มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกันคือในกรณีนี้ภิกษุทนต่อผงขลีได้แต่พอสักว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกเข้าแล้วก็ระยอทอถอยระทมระทศ วันวานจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบปรมาจันต์ต่อไปได้ก็ที่ว่ายอดธงชัยของข้าศึกสำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าคือภิกษุในกรณีนี้ไม่เพียงแต่ได้ยินข่าวดังกล่าวแล้วแต่ว่าเธอเองได้เห็นสตรีนางหรือกุมารีนางสาวนั้นเป็นผู้มีรูปสวย เป็นขวัญตาขวัญใจมีผิวพรรณและสวดทรงงดงามยิ่งนักครั้นได้เห็นหญิงงามนั้นแล้วก็ระย่อทอถอยระทมระทศวันวาจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบรมจันต่อไปได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งครือัด ความที่ได้เห็นหญิงงามนี้ได้ในข้อที่ว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกสำหรับภิกษุนั้นเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนต่อผงกลีได้ต่ปอดสักว่าเห็นยอดธงชัยของข้าศึกเข้าแล้วก็ขวัญหนีครั่นครามวันวาจนสะกดใจไว้ไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงครามได้นักบวชที่เปรียบด้วยนักรบ อาชีพประเภทที่สองนี้มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุภิกษุต่างหลายนะักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงขลีได้ทนต่อยอดธงชัยได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของค่าศึกแล้วก็ขวัญหนีรั่นครามวันวาจนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงคราม นี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่3ที่มีอยู่ในโลกหาด้าอยู่ในโลกนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาด้าอยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกันคือในกรณีนี้ภิกษุทนต่อปุ๋งคลีทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโหร้องของ่าศึกเข้าแล้วก็ระย่อท้อถอยระทมระทศวันวาจนสกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบต่อปรหมจันทร์ต่อไปได้เปิดเผยความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับกลืนไปสู่เพศต่ำแห่งเครือหัดก็ที่ว่าเสียงโหร้องของฆาศึกสาหรับภิกษุนั้น คือเธอในกรณีนี้อยู่ป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างมีมาตุคามคือผู้หญิงเข้าไปชวนพูดคุยริกซิกซีสวนเสหัวระเสียงดังยั่วยาวเข้าแล้วก็ระยอท้อถอยระทมระทศวันว่าจนสกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะสืบต่อปรมมาจันไปได้ ความที่ถูกมันตุคามคือผู้หญิงยั่วยวนกวนใจนี้ได้ในข้อที่ว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของค่าศึกสำหรับภิกษุนั้นเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่ทนต่อผงคลีทนต่อยอดธงชัยได้แต่พอสักว่าได้ยินเสียงโห่ร้องของค่าศึกเข้าแล้วก็ขวัญหนีครั่นครามวันวาด จนสะกดใจไม่อยู่ไม่อาจจะเข้าต่อต้านสงกรามได้นักบวชบางคนในกรณีนี้ที่เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สามที่มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุภิกษุต้งหลายนักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงขลีได้ ทนต่อยอดทงชัยได้ทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าพอเริ่มสัมปหานกันเท่านั้นก็ยอมแพ้นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่4ที่มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพเช่นนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุ หาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกันคือภิกษุทนต่อปงขลีได้ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้และทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าพอเริ่มสําปรารันกันก็ยอมแพ้ข้อที่ว่าการสําปรารันกันสำหรับภิกษุนั้นคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้อยู่ป่าหรืออยู่คนไม้ หรืออยู่เรือนว่างมีผู้หญิงเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียดนั่งทับนอนทับค่มคืนอยู่เมื่อเธอถูกนั่งทับนอนทับค่มคืนอยู่ไม่ทันจะได้บอกคืนสิกขาไม่ทันจะเปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิกขาได้เสพเมถุนแล้วความที่ถูกกระทาเช่นนี้ได้ในข้อที่ว่า เริ่มการสําปรารันกันสําหรับภิกษุนั้นเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทที่อดทนต่อผงคลีได้อดทนต่อยอดทงชัยได้และทนต่อเสียงโห่ร้องได้แต่ว่าได้ยอมแพ้ในขณะศัก์ว่าพอเริ่มการสัมปรารันเท่านั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้ก็เป็นเชน่นนี้เป็นนักบวช เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สี่มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุแลภิกษุทั้งหลายนะักรบอาชีพบางคนทนต่อผงกลีได้ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ทนต่อเสียงโหดร้องได้ทนต่อการสําปรานกันได้เขาสู้เข้าผจนการสงครามนั้น เป็นผู้พิชิตสงกรมแล้วเข้ายึดกรองสนามรบไว้ได้นี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่5ที่มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกันคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อผงกลีได้ อดทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ทนต่อเสียงโหดร้องได้ทนต่อการสําปรานกันได้เธอสู้เข้าประจญการสงครามนั้นเป็นผู้พิชิตสงครามแล้วเข้ายึดกรองสนามรบไม่ได้ก็ที่ว่าสงครามวิชัยสําหรับภิกษุนั้นคือเธอในกรณีนี้อยู่ป่าหรืออยู่คนไม้ หรืออยู่เรือนว่างมีมาตุกรรมคือผู้หญิงเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียดนั่งทับนอนทับคมคืนอยู่เมื่อเธอถูกกระทำเช่นนั้นก็สลัดทิ้งปลดเปลื้องเอาตัวรอดนี้ไปได้ตามประสงค์เธอย่อมเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโกนไม้ภูเขาซอกห้วย ท้องรรมป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟังไปสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างแล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามาดูรอบตั้งกายตรงน้อมงสติอยู่เฉพาะหน้าละนิวรณทั้งห้าครั้นเธอละนิวรณห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ทำปัญญาให้ใสยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอคุิสรธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่1นเพราะวิตกวิจารณ์ระ ง, งับไปจึงบรรลุฌานที่สองเพราะความที่ปีติจางหายไปจึงบรรลุฌานที่3และเพราะความที่ละสุขและละทุกข์เสียได้จึงบรรลุฌานที่4 เท่นั้นคันจิตตั้งมั่นบริสุทธ์ป่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะกา ย, ยาณเท่านั้นเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะกือกาม อาสวะคือพบและอาสวะคืออวิชชาความที่ภิกษุนั้นสลัดผู้หญิงคือมาตุกามทิ้งพาตัวรอดไปได้กระทั่งถึงการทำตนให้สิ้นอาสวะนี้ได้ในข้อที่ว่าสงฆครามาวิชัยสำหรับภิกษุนั้นเปรียบเหมือนนักรบอาชีพที่ทนต่อผงกลีได้ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ ทนต่อการสัาปหานได้เข้าสู่สงครามพรจนสงครามนั้นแล้วเป็นผู้พิชิตสงครามแล้วเข้ายึดครองสนามรบไม่ได้นักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบประเภทที่ห้าที่มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกัน โยธาชีวสูตรที่สองอังกุตานิกายปัญจการนิบาตพิสษุทั้งหลายนักรบอาชีพห้าจำพวกมีอยู่หาได้อยู่ในโลกคือนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่สอดใส่ธนูและแร้งสอนเข้าสู่สงครามอันประชิดกันแล้วเขาอุตสาหพยายาม ในการสู้รบนั้นพวกข้าศึกข้าเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นตายไปนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกพิสุทธ้งหลายนะักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกษุหาได้อยู่ในหมู่พิกษุเหมือนกันเกิดเจยในกรณีนี้ เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ในเวลาเช้าเธอครองจีวรหรือบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบินทบาดไม่รักษากายไม่รักษาบาดจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สมรวมอินทรีย์ทั้งหลายเธอเห็นสตรีในหมู่บ้าน หรือนกรมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่วเพราะได้เห็นสตรีผู้นุ่งชั่วห่มชั่วแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอนั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วไม่ทันบอกเลิกสิกขาไม่ทันทําให้แจ้งถึงความเป็นผู้ถอยกําลังใจได้เสพเมตุดแล้วเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นถือดาบและโล สอนใส่ธนูและแล่งสอนเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาอุตสาหะพยายามในการสู้รบนั้นพวกข้าศึกฆ่าเขาผู้อุตสาหะพยายามนั้นตายไปนักบวชบางคนในกรณีนี้ก็เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทแรกที่มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุ พี่สืทั้งหลายนะักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่สอดใส่ตนูและแร่งศรเข้าสู่สงครามมันประชิดแล้วเขาอุตสาหะพยายามในการสู้รบนั้นพวกข่าศึกได้ฟันแทงเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีบาดแผลเต็มตัวพวกเดียวกันจึงนำตัวเขาออกไปจากที่รบเพื่อ น, นำไปส่งหมู่ญาต เขาถูกพวกญาตินํากลับไปยังไม่ทันจะถึงสํานักญาต์ก็ตายเสียกลางทางนักรบอาชีพประเภทที่สองนี้มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกันคือในกรณีนี้ภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้าน หรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เวลาเช้าครองจีวรถือบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบินบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สมรวมอินทรีย์ทั้งหลายเธอเห็นสตรีในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่ว เราได้เห็นสตรีนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอนั้นผู้มีจิตอันราคะเสียบแทงแล้วก็เร่าร้อนกายรุ่มร้อนใจได้ความคิดว่าอย่าเลยเราจะ ก, กลับไปสู่อารามจะบอกความนี้แก่พวกพิกษุนทั้งหลายตามความในใจของเราว่าเราถูกราคะแผดเผาแล้วถูกราคะครอบงําแล้ว ไม่อาจจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้จะบอกเลิกสิขาหมุนกลับไปสู่เพศต่ำแห่งกฤหัต ด, ดังนี้ภิสูุนนั้นครั้นกลับไปยังไม่ทันถึงอารามก็เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกาลังใจต่อสิขาบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งกฤหัตนักกลางทางนั่นเองเปรียบเหมือนนักรบอาชีพประเภทนี้ ถูกฆ่าศึกฟันแทงจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันจึงนำตัวไปส่งญาติญาตินำตัวกลับไปยังไม่ทันถึงสำนักตายเสียในระหว่างกลางทางนั้นเองนักบวชบางคนในกรณีนี้ก็เป็นชนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่สองมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกัน ภิกษุต้องหลายนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่สอดใส่ธนูและแร้งสอนเข้าประชิดสงครามกันแล้วเขาอุตสาหะพยายามอยู่ในการสู้รบนั้นพวก้าศึกฟันแทงเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันจึงนำตัวเขาเออกไปจากที่รบเพื่อนำไปส่งหมู่ญาติพวกญาติ ช่วยกันพยาบาลแก้ไขเขาเมื่อพวกญาติพยาบาลแก้ไขยอยู่ก็ยังตายเพราะความเจ็บนั้นจนได้นักรบอาชีพประเภทที่สามนี้มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกันคือภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้าน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 ผู้นุ่งชั่วห่มชั่วนั้นแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอผู้นั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วก็เร่าร้อนกายรุ่มร้อนใจได้ความคิดว่าอย่าเลยเราจะกลับไปสู่อารามแล้วบอกความข้อนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราได้ถูกราคะแผดเผาแล้วไม่อาจจะสืบต่อปรมาจันทร์ต่อไปได้จะบอกเกืนสุดขา หมุนกลับคืนสู่เพศตำแมเงเครื่หัสเธอผู้นั้นไปถึงอารามบอกความในใจนี้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้วพวกภิกษุทั้งหลายจึงตักเตือนให้สติเธอพร่ำชี้ช่องให้กลับใจว่าท่านผู้เริญพระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าการทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมาก โทษเพราะกามมีมากเกินประมาณกามทั้งหลายเปรียบด้วยท่อนกระดูกเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเปรียบด้วยคบเพลิงหญ้าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงเปรียบด้วยของในความฝันเปรียบด้วยของที่ยืมเขามาเปรียบด้วยผลไม้เปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหอกและหลาวเปรียบด้วยหัวงูพิษเพราะกามทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นมีรสอร่อยน้อย มีทุกข์มากมีความคับแค้นใจมากโทษประกามนี้มีมากเกินประมาณอย่างยิ่งขอท่านผู้มีอายุจงยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อย่าแสดงความท้อถอยต่อสิกาหมุนกลับไปสู่เพศตมม่ำแงงก็รุนหัดเลยภิกษุผู้นั้นทั้งๆ ท, ท, ที่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนักเตือนให้สติอย่างนี้แล้วจีช่ชองให้มองเห็น เพื่อจะให้กลับใจเสียก็ยังยืนกรานอยู่ว่าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสว่าการมีรสอร่อยน้อยมีโทษมากก็จริงแต่ว่าข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะสืบต่อพระมจริย์ไปได้จะบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนสู่เพศต่ำแห่งเครือหัดละดังนี้ภิกษุนั้นก็ได้เปิดเผยถึงความเป็นผู้หมดกำลังใจหมุนกลับ คืนไปสู่เพศต่ำแห่งเครือหัดเสียจนได้เปรียบเหมือนนะักรบอาชีพประเภทที่สที่ถือดาบและโล่สอนใส่ธนูและแร่งสอนเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วถูกพวกค่าศึกฟันแทงจนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันพาออกจากสนามรบไปส่งหมู่ญาติหมู่ญาติช่วยกันพยายบาลเขา แต่เขาก็ยังตายเพราะความเจ็บนั้นจนได้นักบวชบางคนในกรณีนี้ก็เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่ส ม, มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่สอใส่ธนูและแร่งสอนเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาถูกพวกฆ่าศึกฟันแทง จนมีแผลเต็มตัวพวกเดียวกันนำเอาออกจากสนามรบไปส่งหมู่ญาติพวกญาติพยาบาลแก้ไขแล้วก็าหายจากความเจ็บนั้นนักรบประเภทที่สนี้มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบประเภทนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันคือภิกษุในกรณีนี้ เข้าอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เวลาเช้ากรองจีวรถือบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านเพื่อบินดบาบแต่ไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สำรวมมินสีทั้งหลายเธอเห็นสตรีในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่วเพราะได้เห็น สตรีผู้นุ่งชั่วห่มชั่วนั้นแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอผู้นั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วก็เร่าร้อนกายรุ่มร้อนใจมีความคิดที่จะลาสิกขาจึงคิดว่าจะกลับไปบอกความนี้แกภิกษุทั้งหลายเมื่อไปถึงอารามแล้วเปื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันจึงต่างเตือนให้สติเธอ พรำชี้ช่องทางให้กลับใจเถอผู้นั้นอันเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันตักเตือนให้สติอย่างนี้ก็กลับใจเสียยินยอมว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจากกุหะดำรงพรหมจรรย์ไว้จะยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์จะไม่กลับไปสู่เพศตามแห่งกระดืหัดละดังนี้เบรบเมือนนะักรบอาชีพประเภทนั้น ที่อุตสาหะพยายามในการสู้รบแม้ถูกฆ่าศึกฟันแทงจนมีแผลเต็มตัวหมู่ญาตินำไปทรงเพื่อช่วยพยาบาลแก้ไขแล้วเขาก็หายจากความเจ็บนั้นได้นักบวชบางคนในกรณีนี้ก็เป็นชนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่4มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกัน พิสุทธิ์หลายนะักบอาชีพบางประเภทถือดาบและโล่สอดใส่ธนูและแร่งสอนเข้าสู่สงครามแหม่งประชิดแล้วเขาเข้าประจนการสงครามนั้นเป็นผู้มีชัยชนะในสงครามแล้วเข้ายึดกรองสนามรบไปได้นักรบอาชีพประเภทที่หนี้มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลกพิสุทธิ์หลายนะักบวช เรียบด้วยนะักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุเหมือนกันคือภิกษุในกรณีนี้เข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านหริณีกรมด้วยการรักษากายรักษาวาจารักษาจิตตั้งสติไว้มั่นด้วยการสรํารวมอินทรีย์ทั้งหลายเธอเห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิมรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโพธาบาด้วยกายและได้รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่ถือเอาโดยการรวบถือเอาทั้งหมดและไม่ถือเอาโดยการแยกถือเป็นส่วนส่วนสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันหลามกคืออภิชาและโธมนัตที่มักจะไหลไปตามพูดที่ไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุเถิผู้นี้ก็ปฏิบัต เพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เป็นผู้รักษาและถึงความสมรวมอินทรีย์ทั้งหลายเถิดนั้นภายหลังอาหารคลับจากการสแสวงหาอาหารแล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้หรือเรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉบาะหน้าและนิวอณ์ทั้งห้า เพราะความที่จิตนั้นตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแกการงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วคนน้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยานจิตก็หลุดพ้นจากทั้งอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออภิชา ภิกษุตงหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้ที่เข้าสู่สงครามเมอ็นประชิดแล้วเป็นผู้มีชัยชนะในสงครามเข้ายึดกรองสนามรบไม่ได้เรากล่าวนักบวชชนิดนี้ว่ามีนักรบอาชีพประเภทนั้นเป็นคู่เปรียบเป็นนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่5มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้อยู่ในหมู่ภิกษุแล ฟังทมคำพุทธะ